สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาล น, นะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้อย่าให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างภายนอกภายในคือความดีงามที่แท้จริงเราจะต้องอย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดตัวเองทําทานก็อย่าให้มือซ้ายรู้ทานของเราต้องเป็นทานลับและพระบิดา ผู้ชงเห็นในที่ลี้ลับก็จะโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านนั่นคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทิบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับที่เราตกลงในความเป็นคนหน้าซื่อใจคดโดยไม่รู้ตัวตกลงไปในความเป็นคนหน้าซื่อใจคดโดยไม่รู้ตัวคือเมื่อต้องการหน้าตาเมื่อต้องการคาชมเชยเมื่ออยากจะให้คนอื่นสนใจในการทำดีของเราในที่สุด เราก็สูญเสียคุณภาพของการทำดีหรือสูญเสียความดีของการทำดีนั่นเองสูญเสียรางวัลจากพระเจ้าด้วยไม่คุ้มค่าเลยครับพี่น้องครับการที่เราจะทำาศาสน ก, กิจอย่าทำเพื่ออวดคนอื่นครับหลายครั้งทีเดียวในกิจจักนะครับเราเห็นคนที่ทำาศาสน ก, กิจเพื่ออวดคนอื่นไม่ได้ทำเพื่อเกิดจากความรักของพระเจ้าไม่ได้ทาเพื่ออยากจะปิบัติรับใช้ พี่น้องอยากจะแสดงความรักตอบแทนความรักของพระเจ้าเขามองท่าไปหมดครับแต่สิ่งที่เขาปรารถนาได้อยากจะได้ก็คืออยากจะได้หน้าอยากจะต้องการคําชมเชยอยากจะเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นจากการทำดีของตัวเองพี่น้องครับน่าสงสารและหน้าเสียใจเสียใจเป็นอย่างยิ่งในที่สุดนั้นสิ่งที่เขาทำก็เสียของครับ ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นศูนย์เสียคุณภาพของการทำความดีศูนย์เสียรางวัลจากพระเจ้าไม่คุ้มค่าครับพระเยซูทรงสอนให้เราทำความดีในที่ลี้ลับเวลาที่เราทำทานเวลาที่เราถวายไม่จำเป็นที่จะต้องไปประกาศให้คนอื่นรู้ไม่ให้มือซ้ายรู้การที่มือขวาทำทานของเราต้องเป็นทานลับและพระบิดาก็จะโปรดประทานบาเหน็จแก่เรา พระวิดาเห็นครับในที่ลี้ับทุกแห่งพี่น้องครับเราถูกสอนจากพระเยซูครับว่าให้เราทำความดีในที่ลี้ลับครับทำความดีเพื่อความดีมิฉะนั้นเราก็จะเป็นเหมือนพวกฟาริสีทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นพี่น้องครับเราจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างภายในและภายนอกภายในต้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายนอกประการต่อไปครับความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างศาสนพิธีและความจริงเรื่องแรกก็คือคำอธิษฐานของเราและการกระทำของเราครับคาอธิษฐานของเราและการกระทำของเรานั้นจาเป็นที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันสอดคล้องกันด้วยเหมือนกันมัทธิวบทที่6นะครับข้อ9ถึงข้อ15ได้กล่าวว่าเมื่อท่านอธิษฐานจงกล่าวว่า ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานนะครับมีข้อหนึ่งที่เราจะต้องทําจริงๆตามที่เราได้อธิษฐานนั่นก็คือการให้อภัยคนอื่นครับการให้อภัยคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยกับเราความหมายที่แท้จริงของคําอธิษฐานนี้ก็คือ ต้องให้สิ่งที่เราอธิษฐานนั้นปรากฏอยู่ในการกระทาจริงๆของเรามิฉะนั้นคำอธิษฐานของเราก็เหลือแค่ศาสนาพิธีเหลือแต่คำพูดที่ไร้ความหมายไร้สาระขาดคุณค่าในความเป็นจริงพี่น้องครับเราต้องยกบาปผิดของคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงยกบาปผิดของพวกเราประการต่อไปครับเราจะเห็นความเป็นหนึ่งในเรื่องของการอดอาหารและ ความเคารพนอบนอบการอดอาหารและความเคารพนบนอบนั้นมีความเกี่ยวพันกันในโภธจนะของพระเจ้านะครับบทที่6มัทธิวข้อ1 6กถึง18กล่าวว่าเมื่อท่านถืออดอาหารอยู่เหมือนคนหน้าซื่อใจคดด้วยเขาทาหน้าให้เศร้าหมองเพื่อจะให้คนเห็นแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับ พี่น้องครับความหมายและจุดประสงค์เป้าหมายของการถืออดอาหารนั่นก็คือเพื่อต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจของเราเพื่อที่จะให้เกิดโฟกัสหรือรวมศูนย์ในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับพระเจ้าเสริมสร้างพลังของจิตใจแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างจริงจังดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยที่ดีเลิศของพระเจ้า แต่เมื่อการอดอาหารหรือการถืออดนั้นกลายเป็นการทำชื่อเสียงให้กับตนเองการสร้างชื่อให้กับตนเองการถืออดนั้นก็กลายเป็นการสูญเสียความหมายที่แท้จริงตรงกันข้ามครับจะกลายเป็นภัยอันตรายทำร้ายจิตใจเพราะว่าจิตใจเย่อหยิ่งจองหองยะโสโอหังพระเยซูทรงตาหนิติเตียนรุนแรงในการกระทาแบบนี้ครับเราเมื่อถืออด ต้องนบนอบนอบน้อมต้องเคารพยำเกรงพระเจ้าต้องถ่อมใจลงไม่ใช่ยกตัวเองขึ้นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความกลมเกลียวระหว่างภายนอกกับภายในในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะพูดถึงความกลมเกลียวความหมึอเดียวกันในด้านความเชื่อทัศนคติและคุณค่าของชีวิตผมอยากจะเน้นและย้ำให้พี่น้องทราบนะครับว่า ในความกลมเกลียวความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นโดยหัวใจหลักๆก็คือภายในกับภายนอกครับต้องเหมือนกันครับภายในกับภายนอกต้องเหมือนกันภายในเป็นอย่างไรภายนอกต้องเป็นอย่างนั้นภายนอกสอนอย่างไรพูดอย่างไรภายในก็ต้องทำอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นนามัตไถของพระเจ้าภายในกับภายนอกต้องเป็นความดีงามที่แท้จริง นะครับผมอยากจะทบทวนครับในกฎทองคําข้อนี้ซึ่งเป็นกฎทองคำข้อที่17มีความหมายและมีความสําคัญมากเลยนะครับกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันเราเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่โดยองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้มาลบล้างพันธสัญญาเดิมแต่พระองค์มาเพื่อที่จะทําให้พันธสัญญาใหม่ จะทำให้พันยาเดิมสมบูรณ์ทุกประการนะครับแท้จริงเป็นหนึ่งเดียวกันครับอันต่อมาก็คือความเด่มนนเดียวกันในเรื่องของพยานของสังคมและพยานของครอบครัวพี่น้องครับการที่เราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องเป็นพยานและเป็นพยานนั้นจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับชีวิตของเราเป็นพยานกับครอบครัวของเรา เป็นพยานกับชุมชนสังคมของเรานะครับเราต้องเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของแผ่นดินโลกเราต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างความสัมพันธ์กับมนุษย์กับความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นหมายความว่าเรามีความขัดเคืองขัดข้องมองใจข้อหนึ่งข้อใดกับมนุษย์กับพี่น้องของเราจะต้องวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชา พี่น้องครับการที่เรามาถวายเครื่องบูชาในทุกๆวันอาทิตย์หรือเราถวายทรัพย์ถวายชีวิตถวายการสรรเสริญพระเจ้ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดผลจริงๆหรือเปล่าถ้าเราไม่เริ่มต้นในการที่เราเองนั้นจะคืนดีกับพี่น้องคืนดีกับพี่น้องเสียก่อนครับประการต่อไปก็คือเราจะต้องมีความสอดคล้องกันในเรื่องของ ความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างหลักธรรมของพระเจ้าและหลักจริยธรรมของมนุษย์พี่น้องครับเราจะต้องเป็นคนที่ดีรอบคอบเหมือนอย่างที่พ่อบิดาเป็นผู้ที่ดีรอบคอบเราจะต้องมีความเป็นน้นหนึ่งใจเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างภายนอกและภายในตัวของเรานะครับเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างศาสนพิธี และความหมายแท้จริงของพิธีนั้นพี่น้องครับชีวิตของเรานะครับอย่าดําเนินอยู่บนความหลอกลวงดําเนินอยู่กับความเฟกเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งนั้นจะเป็นเหตุที่ทําให้เรานะครับเป็นคนที่มี2หน้านะครับเป็นคนหน้าซื่อใจคดครับหน้าอย่างหลังอย่างหน้าอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งพี่น้องครับ นั่นคือความไม่จริงนั่นคือความโป๊ปดหมดเท็จนั่นคือความหลอกลวงนั่นคือความเท็จขอพระเจ้าช่วยให้เราเองนั้นจะมีชีวิตที่โปร่งใสมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ามีชีวิตที่สามารถที่จะให้คนอื่นๆมองแล้วเขาเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราครับอาเมน